ก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันต้นปฏิบัติกันนะช่วงเช้าเราศึกษาเรื่องการดูแลร่างกายการออกกำลังกายก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมประจนะําช่วงเช้าลุกเช้านะไม่ว่าเราจะมาปฏิบัติ <c oughs> หรือไม่ปฏิบัติก็ตาม เพราะว่ามันจะช่วยให้เราได้ป้องกันทุกขเวทนาทางกายาต่างๆมันเกิดจากอพารา์ตหรื อ, อเกิดจากความแปรปรวนของสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราได้ปรับความสมดุลของธาตุสีดินน้ํดินดไฟเนี่ยให้ ให้สมดุลกันระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันป้องกันการแปรปรวนป้องกันการแปรปรวนของร่างกายของสังขารที่เป็นไปทางเสื่อมวิธีป้องกันความเสื่อมก็คือการที่เราจะต้องให้มันเข้มแข็งเอาไว้เสมอซึ่งจะเป็นความยากสักนิดหนึงสำหรับคนที่มีจิต นิสัยที่ติดสบายก็จะไม่อยากทําเพราะว่าการออกกรลักายมันเป็นการฝืนเพราะเป็นการสร้างความรู้สึกไม่ค่อยสบายในขณะธรรมซึ่งคนที่จิตใจยังไม่เข้มแข็งนี่ก็จะทํายากก็ฝืนเอาฝืนบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งเคยชินขึ้น คือถ้าว่าเราไม่ป้องกันอย่างเนี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องแปรปนูนเปลี่ยนแปลงก็เสื่อมไปเนะี่ยความเสื่อมของร่างกายก็จะเกิดทําให้เกิดทุกเวทนาได้ง่ายนะเมื่อทุกเวทนามันกล่ามันเข้มแข็งเกินไปจิตของเราก็จะตั้งรับไม่ค่อยไหวนะจิตของเราก็จะอ่อนแอได้ง่ายจิตของเราก็จะแปรปูนไปกับร่างกายด้วยนะแม้ว่าเราจะปฏิบัติ เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะปฏิบัติได้เข้มแข็งต่อเวลาเพราะนั้นการที่เราได้ฝึกให้ร่างกายเนี่ยมันรู้จักเจ็บสะก่อนเจ็บแก่สะก่อนแก่ตายสะก่อนตายมันก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะพอดมาได้กับตัวเองว่าเมื่อก่อนเป็นคนคน่อนข้างอ่อนแอขี้โลกหลายๆอย่าง หลังจากมาใช้วิถีชีวิตแบบนี้แล้วนี่มันก็เปลี่ยนไปความอ่อนแอความพ่โรกความแปรปรวนอะไรต่างๆมันก็ค่อยๆหายไปลักษณะนี้เ็เรียกว่าเป็นภาวนาประทานคือความพยายามที่จะพัฒนาดูแลรักษาสิ่งที่มันเสื่อมง่ายให้มันเสื่อมช้าลง ความเสื่อมความแปรลปรลวนมันปรากฏตะลอดเวลาปรากฏในรูปของเวทนาที่เราเห็นปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้หนักตรงนี้เบาตรง น, รงนี้สังเกตให้ดีเนี่ยร่างกา ย, ยมันจะไม่มีอะไรที่น่าสบายเลยนะเราก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการกดโดยการกดข่มเราก็โดยการไประบายด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งก็เราสังเกตให้ดีบางครั้งกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราแสดงอะไรออกไปโดยที่เราไม่รู้ว่าพ่อเห็นอะมันจึงมันจริงทำไปงั้นเช่นจูจูแล้วก็ลุกไปตรงนั้นจู่ๆแล้วก็พลิกไปตรจูก็มือก็ปีนป่ายไปนั้นซึ่งบางทีเราก็ตามไม่ทันเพราะว่ามันมันปรับาตามเพื่อสมดุล ของร่างกายให้เกิดความสบายขึ้นซึ่งถ้านละเรานั่งนิ่งๆตลอดระยะเวาวเนี่ยเราจะกดข่มมากๆเลยนะจิตของเราก็จะถื่อด้านเราก็จิตที่ดื้อเป็นมรณนะเป็นอะไรขึ้นมาตามลำดับโดบยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่พอเราคอยปรับคอยเปลี่ยนคอยแก้ไขคอยบาบัดไปเรื่อยๆอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะเกิด อง ค, ความรู้ขึ้นมามีสติสัมะชัญญะที่พัฒนาจากการเข้าไปารับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจังซึ่งได้กล่าวมาแต่ต้นนะซึ่งอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์หลักอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการเคลื่อนไหว ถ้าเราไม่อายใส่ตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยเราจะไปบังคับให้กายมันสงบให้จิตมันสงบโดยที่ไม่รับรู้ต่อการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันนียการพนาอย่างนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะมันต้องกลับไปหาที่เดิมมืนเดิมกลับไปาหาทุกขหาความแปรปรวนเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยู่จับ กับความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนอย่างอย่างเท่าทันแล้วก็เข้าไปปรับรู้อย่างเท่าทันอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่เราจะต้องค่อยเข้าไปบำบัดเข้าไปเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรู้รู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นความสบายและความผ่อนคลาย เอาแค่ว่าพอทนได้ไม่ถึงกับว่าดิ้นรนหาความสบายจนกระทั่งว่าไม่เป็นอันทาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นอันไหนพอทนคำว่าทนได้คือมันมีอยู่จากัดแค่กายให้กายมันทนนะให้กายมันทนได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ากายมันทนไม่ได้เนี่ยมันก็ส่งถ่ายให้กับจิตจิตก็ต้องรับไป ไอ้ตรงที่มันส่งทายความเป็นอนิจจังทุกข์องหน้าตาให้กับจิตตรงนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าสมุทัยดังนั้นตัวที่จะไปป้องกันกฎใตรักที่เกิดกับกายหรือเกิดกับรูปไม่ให้มันล้นเกินไปสู่จิตเนี่ยก็มีทางเดียวที่จะป้องตัวป้องกันได้คือตัวรู้เนื้อรู้ตัวตัว เข้าใจถึงอาการเหล่านี้ทําบ่อยๆเนืองๆชัดๆท่านใช้กว่าพาวิตาภพาุริกตาสังวตตินี่แะทำบ่อยๆเนืองๆเพราะว่าพินยาสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติถ้าเราทําบ่อยๆเนืองๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นไปความรู้พร้อมเป็นไปความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อดับเพื่อเย็นของเวทนา เวทนาที่ดับที่เย็นที่เราเข้าไปรับรู้เข้าไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะทำให้จิตของเราเย็นไปด้วยดังนั้นในตัวของมันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงความเร่าร้อนความแปรปรวนเหมือนไฟอะ่ะมันจะต้องเป็นข้้งมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ย อย่าไปคิดว่ามันจะอยู่ทํางานมันก็ทำงานของมัอยู่ยงั้นแหละแปลคนเปลี่ยนแปลงแตกดับแปลโพลเปลี่ยนแปลงแตกดับผลของกามแปลโพลเปลี่ยนแปลงแตกดับของมันก็มาเป็นเวทนาต่างๆเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้ขัดตรงนั้นย่อตรงนี้แน่นตรงนี้อึดอัดตรงนั้นมันมันโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะทั้งสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้น ปุ้ดชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีการสดับไม่มีการฝึกฝนนะจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นี่เราโชคดีที่สุดตรงที่มาพบคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้พบหุนทางท่านบอกว่าเอกยนโนมัคโคมีทางเดียวเท่านั้นนะ่ะที่จะต้องที่จะต้องแก้ไขเรื่องนี้ได้ ท่านบอกว่สัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ความสะอาดหมดจดของจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการชำระจิตให้หมดจดได้ก็ด้วยการมาทำอย่างนี้อันที่สองท่านว่าโศกปริเทวนานังสมติกรมายะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของ อาการทางกายที่เข้าไปสู่จิตเนี่ยเร า, าเห็นเรามองข้ามไปบ้างเราข้ามไปบ้างได้มันมีอยู่มันมีอยู่บางอย่างเราบังบัดไม่ทันเราก็ข้ามไปก่อนในกรณีที่ความาไม่สบายใจความแปรปวนทาง้านจิตใจนั้นมันไม่มาก อ, าอันที่สามทวัดทุกขโทมนัส า, านัง่ง อถังเขมายะความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยถ้าเราบําบัดแก้ไขอยู่เสมอมันจะมันจะไม่ตั้งอยู่ได้มันจะตั้งอยู่ไม่ได้คือว่ามันจะหายไปมันจะดับไปเพราะว่าเราไปแก้ไขมันมันไม่ได้ดับเองหรอกนะมันไม่ได้หายเองเพราะความไม่สบายกายเรียกว่าทุกความไม่สบายใจเรียกว่าโทมนัสความไม่สบายกายที่ไม่ถูกบําบัดไม่ถูกแก้ไขไม่ถูกปรับให้พอดี มันก็จะเป็นโทมนัสคือความไม่สบายใจตัวเนี้ยถ้าเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวทางกายทางเวทนาได้เนี่ยมันก็จะเข้าไปปวดเปลืองแก้ไขจนเวทนานั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้มันจะค่อยไปจากการที่เราไปบำบัดมันนั่นเองนะอันที่สี่ท่านบอกว่ายายสสะธิฆมายะมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจปัญหาต่าง ที่เกิดกับกายกับใจกับชีวิตเนี่ยได้ง่ายได้อย่างทุลุปูกพรงว่ามันไปยังไงมันมายังไงทําทไมต้องมันจึงเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจแล้วก็จะตอบปัญหาตอบโจทย์ของชีวิตได้ง่ายญยายัสาธิฆมายะแล้วเมื่อเราตอบโจทย์ของชีวิตแลก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในกายในใจเราเนี่ยในที่สุดมันก็จะเป็นนิพพานสัสิกิริยายะ เป็นไปเพื่อการดับกันเย็นของเวทนาต่างๆไม่ใช่คําว่าเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนะี่ยแต่นลงมาแปลสมัยนิพพานันคําใหญ่เกินไปเพื่อความดับความเย็นความสบายของกายของใจอย่างเงี้ยมันสื่อได้มันเข้าใจได้ง่ายกว่านั้นเะกี่ยวับอันนี้สงไว้ถึงห้าประการอันนี้สงที่เราจะมาทําความรู้รู้ตัวนี่นะเมื่อมันมีอั น, นิี้สงอย่างมีนัยยะสําคัญอย่างเนี้ยเราจึงทําเล่นๆไม่ได้ ประการแรกที่สุดต้องทำให้เกิดความเข้าใจดี่ยทำให้เกิดปัญญาก่อนนะเมื่อมันเกิดปัญญาเข้าใจแจม่มแจ้งอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นอันนีส้สูงของการกระทาเช่นนี้เนี่ยเราจะไม่ขี้เกียจที่จะทำเหมือนเราทุ่มเททั้งชีวิตหาเงินเนี่ยเราไม่เคยขี้เกียจเลยมีวิธีใดที่ได้เงินมาเนี่ยเราทำทุกวิธีทางมีวิธีใดที่จะได้ กำไรกำไรมากขึ้นเนี่ยเราไม่เคยขี้เกียจเลยตื่นดึกลูกเช้าก็ยอมจะทําทุจริตผิดกฎหมายตกนรกก็ยอมเพราะเรารู้มารู้ถึงคุณค่าและอา น, นิสง์ของมันอย่างแจ่มแจ้งว่าถ้ามันมีเงินมีทองแล้วอะไรมันก็สรดกสบายไปหมดเราเรารู้อา น, นิสงค์ของมันที่เป็นปนะลูกประธรรมนะเริ่มตั้งแต่นูน้นอุตส่าห์เรียน ซื้อตั้งแต่เล็กๆน้อยอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองจนจบมาหายาลัยวิญญาโทพิญญาเอกเพื่ออะไรเพื่อสิ่งเดียวเพื่อความสะดวกเพื่อให้ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติได้ชื่อเสียงมาเป็นที่มาของอความสะดวกสบายทางกายแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะให้ความสะดวกสบายทางจิตได้หมดทุกเรื่องเพราะคนที่มีทรัพย์มีสินมีชื่อมีเสียงก็ยังทุกนอน เดือดร้อนนอนทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันแก้ไขได้ไม่หมดในที่สุดแม้แต่พพระพุทธเจ้าเองและพระหันทั้งหลายที่ท่านเคยเป็นคนที่ว่ามีมากที่สุดย่ในระดับมหากตริย์มหาจัรากรพรรดิก็ยังต้องกลับมาสู่สิ่งนี้ต้องทิ้งทั้งหมดน่ะเห็นว่ามันสาคัญใขนาดไหนนะมันจะต้องมีความสำคัญมากๆถ้าเราอยากจะ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะเป็นมนุษย์สมบูร ณ, นนรณ์คือมนุษย์ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาสาเหตุมันว่าความทุกข์และปัญหามันเกิดจากอะไรศึกษามาเยอะงั้นแหละการศึกษาเข้าไปเข้าใจตรงนี้ท่านเีวยกว่าต้องใช้สัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความคิดถูกเห็นถูกเป็นเป็นองค์ของปัญญาเนี่ยเมื่อเราเห็นความสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีการ เริ่มต้นมีการศึกษาอย่างเป็นขบวนการขั้นตอนเราจะไม่เริ่มต้นด้วยศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แต่ในพุทธศาสนานั้นท่านเน้นศรัทธาที่เกิดด้วยปัญญาไม่ได้เน้นศรัทธาที่เกิดด้วยตัณหาแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นศรัทธาที่เกิดด้วยตัณหาไม่ได้เกิดด้วยปัญญา คือมันอยากจะได้ในสิ่งที่ตอบสนองอตอบสนองที่เป็นรูปมากกว่าตอบสนองที่เป็นนามเนะพราะมันสัมผัสได้ง่ายต้องการารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาตอบสนองอายตนะให้เกิดความเด็ดอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินสะดวกสบายเนี่ยเราต้องการตัวนั้น ที่ศรัทธาที่ทําให้เกิดอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามันมันทำให้ง่ายต่อการเพลินต่อการติดต่อการเพิ่มจํานวนต่อการเพิ่มความอยากมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สิ้นจบลักษณะนั้นเองถ้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความอยากเพราะเราตอบสนองในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะสนอง ความต้องการของเราความต้องการคือความอยากก็เป็นตันหาตันหาถึงว่าเป็นสมุ ท, ทยัยเช่นเวลาเรานั่งเป็นนา น, านเรารู้สึกหนักเรารู้สึกหนักไม่สบายสิ่งแรกที่สุดแล้วคืออยากจะคือไม่ชอบอไม่ชอบอาการนั้นก่อนเมื่อไม่ชอบเราก็อยากจะหนีมันไปความอยากแรก เราก็คลิกไปหาในส่วนที่เราชอบคือสบายเพราะนั้นสัญญาณแรกคือความรู้สึกสบายและไม่สบายของกายที่เราจะต้องเข้าไปเฝ้าดูละอันนี้ว่ากั น, ต, นต้นพื้ น, น, นเลยแหละไม่มีอะไรซับซ้อนนะที่เราทุกคนสัมผัสได้สัญญาณแรกคือความรู้สึกสบายและไม่สบายถ้าความสบายทางกายเกิดขึ้น มันก็ตอบสนองความอยากของเราคือความรู้สึกสบายเราก็อยากจะให้ความสบายเนี่ยมันอยู่ได้นานๆล้วก็จะสบายอย่างนี้แล้วก็เพลินในความสบายนั้นๆแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับโดยที่เราไม่รู้ว่าแต่รู้สึกมันสบายก็ ก, ก, ก็ดิน่นก็เคลื่อนไปเรื่อยๆดิ่นไปหาความสบายมันก็ไม่จบมันก็ไม่จบ แต่พอเราเข้ามาฝึกปฏิบัติในศาสนาท่านบอกว่าถ้าไปทำภาวนาได้ภาวนาแล้วนี่เราจะต้องฝืนฝืนความสบายต้องทนมันไม่รมันรู้สึกไม่สบายก็ต้องทนเอาไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนให้มากนั่งอาสนะเดียวยิ่งดีอีบทเดียวยิ่งดีทานิ่งนิ่งไม่ต้องเปลี่ยน ทีนี้อาจารย์ก็โปรโมทว่าใครมีความอดทนนั่งบรรลังเดียวได้ตลอดหรือว่ามีบุญมีวาสนามีบารมีได้สั่งสมก็โฆษณาสนับสนุนให้ทำอย่างนั้นเราก็ทำกันเราก็ทำทไปแล้วรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะนหนักขึ้นหนักขึ้ น, น, นแล้วก็กดลงไปไอ้คนไหนมีพลังอำนาจจิตสูงกว่าก็บังคับ ให้ได้นานที่สุดน ะ, นะบางจังหวะมันเกิดโล่งโปร่งสบายก็ดีใจว่าโอ้การปฏิบัติของเราได้ผลดีแล้วก็ทำใหญ่เลยทีนี้นทก็เป็นแบบอย่างขึ้นมานการนำลักษณะนี้การภาวนาถึงว่าการกดเวทนาให้สงบเวทนากดข่มเวทนาคือคำว่ามีคำว่าสมถะขึ้นมา แล้วกดข่มไปกดคุณว่าคุณไหนมีความสามารถในการกดข่มได้สูงสุด บ, บังคับตัวสงบให้กลายเป็นพลังออกมาเป็นเข้าฌ า, านนั้นฌานนี้ฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารปีติสุเอกตายังมีความปรุงแต่งอยู่นิดๆยังมีความรู้สึกสบายปนกันไปปีติสุปนกันไปเอาบังคับต่อไปให้ไปฌานที่สองละปีติ ละวิตกวิจารณ์ไปเหลือแต่ปีติสุเอขคตาเอาสะกดจิตไม่ให้คิดเพราะคิดแล้วมันจะเข้าฌานที่หนึ่งไม่ได้ไม่ให้มีวิตกวิจารณ์จิตมันก็ไม่คิดได้เหมือนกันบังคับอยู่งั้นอา่อาววิตกวิจารณ์หายไปก็เออไม่ได้ผลแล้วเข้าฌานที่สามต่อให้ปีติสุขหายไปให้เหลือแต่เอขคต า, าไม่รับรู้สุขรู้ทุกข์ของกายและของจิตแล้วนิ่งอย่างเดียว นี่อย่างเดียวอ้าวทำได้นานๆบอกเข้าชาั้นที่สามแล้วเอาไปชั้นที่สี่ให้หมดเหลือสติและอุเปกขาก็พยายามทำจิตให้นิ่งตาไปอย่างเนี้ยเรียกว่าเข้าชาั้นก็แข่งกันทำว่าคนนั้นได้ชั้นที่หนึ่งคนนี้ได้ชั้นที่สองคูว่าชาั้นก็เชิดชูเราก็ทำคนที่ไอ้คนที่ทำมาได้ก็ต้องบีบบังคับแต่หนักเท่าไหร่ก็สู้กันที่นี่หนัก เราหูเรตาตาตาจูบตาพองน้ำไหลหลายหยดนะง่วงอย่างคุณอิดาเคยเข้าฌานใช่ไหมง่วงแล้วตอนนี้เคยเข้ามาจนจนมันติดอะ่ะก็จะนั่งเราต้องได้หลับตาเพื่อจะเข้าฌานแข่งกัน อ, อาจารย์ก็สันนิษฐานโอ้คนนี้เข้าฌานเก่งนั่งได้นิ่งได้ น, นานฌ า, านที่นั่นนั่งที่ไหนหลับตาทันทีเล ย, ไ ม, เลยลไม่ได้หลับตาไม่ได้มันเป็นทุกทันทีเลยติดตัวเนี้ยเราก็ติดสมาถะในที่สุด แล้วใครมาพูดแต่ต้องสมถะไม่ได้ขึ้นเลยนะงุดหิดนะีะ เ, เป็นยังไงบอเาเนี่ยที่ไปที่มาเขาก็ทำอย่างนั้นมาอถ้าปรากฏว่าเอาไปเอามามันเกิดมานะอัตตาขึ้นมาลึกๆว่าฉันทําได้ดีกว่าแกแกทําไม่ได้ช่วยฉันไม่ได้แล้วก็ไปคุยข่มกันที่นี้แล้วก็บางคนเกิดนิมิตสีแสงเกิดนั่นเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมาเขามาอวดกันนะไอ้คนที่ยังมาได้นั่งใหญ่เลยที่นี่ โอ้โหใช่ไหมทำแล้วมันติดนะแล้วมันสนุกแต่ที่นี้พอมานานเข้านานเข้ายิ่งเข้าสมาธิได้ลึกเท่าไหร่มันกลับว่าแทนที่มันจะดีเนะี่ยแต่มันมีอะไรอะอะไรที่มากระทบที่มันเกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะรู้สึกขุ่นข้างในได้เร็วกว่าปกติแต่เพื่อจะใช้วิธีกดข่มนะใช้กดขม่ม ได้แต่นานเข้านานเข้าตัวมณะอาอัตตามันเกิดขึ้นถ้าเราทำลักษณะกดข่มบังครับนเหนือมันได้มณะอาอัตตาเกิดขึ้นแทนพัฒนาการไปอย่างเงี้ยเอามาทำเอ๊ะทำไมเราโกรธขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความแหลมคมในการเจแหว่งหา้เอาเปรียบเพื่อนมากกว่าเดิมมีความละเอียดประณีตมากมาณะอาอัตตาเหล่านี้นะนานเข้านานเข้ามันไม่ใช่นะ นะจนกระทั่งว่าเราเห็นปัญหาลึกๆอันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงคนนั้นต้องยอมรับความเปจริงของตัวเองนะอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้เลยนะแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่ไม่มีไม่มีความฉเฉลียวใจอย่างนี้ <c oughs> ก็จะติดนะติดความสงบไปที่ไหนต้องได้นั่งความสงบหลับตาวนยมอ่อน <c oughs> on, เคยทำํำมาเงี้ยนานแต่ว่านั่งสร้างจังหวะเนี่ยทำไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขไม่ตกเลย แล้วก็ยากในที่สุดเราจะไปติดสมาะิพอมาทําวิปัสนาทําไม่ได้ทีเนี้เพราะอะไรเพราะจิตมันถูกบังคับจนอ่อนล้าพอไปตีความสงบจนหมดพลังแต่จิตที่จะมาสู่วิปัสนานั้นเป็นเพื่จิตที่มีพลังพลังสติสัมปชัญญะโดยที่ไม่เอาสงบมาเป็นผลเพราะในพุทธศาสนานั้นไม่ได้สงบจากอารมณ์แต่สงบจากกิเลส สงบจากการปรุงแต่งให้สงบจากตัวนั้นสงบจากราคะโทสะโมหะไม่ใช่สงบจากเวทนาทางกายเวทนาทางกายมันสงบไปได้เพราะมันเป็นไปตามกฎของอะไรกฎของใจรักตลอดเวลาใช่ไหมทีนี้เราใช้มานะของเราเนี่ยกดข่มสู้มันยืนได้บางคนก็ทาได้สาเร็จแล้วก็แต่ละแห่งเขาก็ทำกันอย่างนี้ แต่เขาบอกว่าเป็นวิปัสสนาะนะแต่มันว่าดูแล้วมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะยังกดข่มบังคับกฎของไตรลักษณ์นั้นมีอย่างเดียวคือต้องบำบัดบำบัดแก้ไขบำบัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าจำเป็นจะต้องมีการบังคับเอาแค่พอทุนได้ฉันใช้คำว่าพอเวลาพระบูติย่าท่านถามพระทั่วไป ท่านไม่ถามว่าเป็นไงสบายดีไหมท่านสงบดีไหมวันนี้ท่านไม่ถามอย่างเงี้ยท่านถามว่าไงขมรียงอวุโสพอทนได้ไหมพระก็จะได้บอกขมรียงพันเตพอทนได้ครับนั่นแสดงว่าทุกทางกายเนี่ยมันต้องทนแต่อย่าให้มันเหลือทนอถ้ามันเหลือทนแล้วมันเข้าสู่จิตแล้วเข้าสู่จิตแล้วมันเจอความหงุดหงิดไม่พอใจอึดอัดแล้วแล้วก็ใช้ ศรัทธาแบบความอยากของเราเข้าไปบังคับต่ออีกไม่ให้มันจิตมันปรุงแต่งให้มันอัดจิตบังคับให้มันสงบไม่ให้ไปรับรู้อันนั้นอีกเมื่อมันก็ทับทับทับทับซ้อนเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆดังนั้นในวิธีการนี้หลวงพ่อเทียนท่านบอกสมถะกับวิปัสสนามันดูเหมือนมันเป็นเพื่อนกันแต่ความจริงมันเป็นศัตรูกันมันคนละมันถอยไปขนานกัน อเราตอนฟังตอนแรกแล้วก็ขัดกันนะเอฟทาไมพูดอย่างนั้นควางจริงพุทธิเจ้าก็ยกย่องสมถวิปัสสนานะนะแต่ว่าสมถะที่นําด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นสมถะที่ท่านเคยทํามาแล้วตอนที่ได้ท่านศรัทธาในหลักการของอาราณดาบทอุตการดาบทซึ่งทั้งสองท่านทําได้ถึงสมาบัติเตสมาบัติแพุทธเจ้าก็ไปทดลองนะสมัยเป็นผู้แสวงหาทดลองเยอะท่านก็ทําได้เหมือนกัน ทำได้จนสามารถเกิดฤทธิปฏิหาไรได้เองต่างแต่ว่าพอไม่ได้ทำใจมันมันอยู่ไม่ได้มันกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาก็ใช่แต่เวดาที่เรานั่งทำดูมนุษย์มันเยี่ยมมากเลยนะแต่เวลาออกไปทำงานเพื่อนมาขัดใจไปทำงานกับเพื่อนเพื่อนมาพูดอะไรไม่ถูกหรือไปได้รับอะไรสิ่งที่มันต้องกิริศเดิมของตัวเองมันก็ยังอยากยัง โหลดยังโลภยังหลงเหมือนเดิมก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาแล้วก็กลับไปนั่งใหม่เวลาเป็นกลับไปเข้าปฏิบัติใหม่ก็เป็นอยู่เหมือนเดิมเที่ยวไปเที่ยวมาในที่สุดร่างกายเราแย่เพราะการทําสมถะนานๆร่างกายเราไม่ได้รับการบําบัดแก้ไขาตามตามกฎของตรรกะร่างกายเราแย่เราหนักเขา่าหนักหัวหนักหลังหนักไหลไปหมดเลยยิ่งนานไปร่างกายก็หมดกําลังแล้วจิตของเรา เวลาถูกกระทบอะไรแรงอยู่ไม่ได้ต้องหลบอย่างเดียวเพราะก็จะหลับตาหลบมุมอย่างเดียวในที่สุดมันติดสงบแล้วก็จีดิกเล่นออกจากเพื่อนจากฝูงอยากจะอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เหี่ยวอยากจะทิ้งอะไรให้หมดจะได้สงบตลอดไปก็เข้าไปสู่ความเป็นลึกซีกาเป็นอะไรมากขึ้นไปอย่างนั้นพวกนี้ก็จะหลีกแล้วก็จะมีปัญหาอยู่กับสังคมไม่ได้เพราะมันไม่สงบอ่าเออย่างนั้นพระพุทธเจ้าทาั้งงั้นมันไม่ใช่ทางแนะท่านก็ทิ้ง หลักอย่างนั้นของฤาษีทั้งสองมามาหาทางด้วยตัวเองไงนะมาหาทางด้วยตัวเองพอเลิกละความเพียนนั่งเคร่งนั่งคัดนั่งเข้าชานัน่งทรมานอย่างนั้นท่านเลิกพอเลิกปับ๊บฤาษีทั้งห้าที่เฝ้าท่านอยู่ว่าจะบรรลุธรรมกับท่านพอเห็นท่านเลิกนั้นปับ๊บฤาษีทั้งห้าตุนไปไงหนีเลยนะฮะหนีไปจากอุลุเวลาเ ส, เสนานิคมไปอยู่นู่นไปนี่สิปัฒนามุรุคทา ย, ยวัน เออผู้ทช่้าก็มีโอกาสได้อยู่คนเดียวแหะทีนี้แต่นั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุอยู่คนเดียวก็นั่งดูวิ่งท้าบาทฉันได้แล้วทปกติไม่ได้ออดนอนข่อนอาหารบางแบบบางลทัทธิแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังทำนะอดนอนข่อนอาหารนี่นะอดนอนแ ข, ข่งเงินยังเสียดายพระอาจารย์บางคนอย่างอาจารย์สมภพเนี่ยท่านเลยพกิการไปเลยนะนั่นพวกป่ติโอหูท่านบรรยายนทำเก่งมากอาจารย์สมภพนะปัจจุบันท่านก็เลยก็ พ, พิการมาเป็นสิบปียี่ปีแล้วเนี่ย มาก็เคยไปฮะตอนนี้ดีขึ้นไห ม, อมตอนนี้ดีขึ้นมาเคยไปเอาหมอเขียวไปดูแลท่านอยู่พรรษาหนึง่งแต่ก็ยากอ่ะโยวิบากกรรมที่ทรมานตัวเองอดนอนผ่อนอาหารนี่แหละนอนน้อยน้อยพอนอนแล้วทีสองขึ้นประเทศต่อใหม่เอาทั้งวันทรมานร่างกายร่างกายไม่สู้ไม่ไหวจนเอามาพลิกเอามาพาแล้ว ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำทางนั้นมาหนักก่อนแล้วท่านมาเปลี่ยนเป็นวิปัสนาทีหลังมันไม่เคยทันแล้วร่างกายมันแย่แล้วต้องนั่งรถเข็นนั่งทรมานกันดังนั้นเองเอะมาก็มาเห็นนะพิจารณาข้อบอกพร่องเหล่านี้ว่ามันเกิดจากอะไรครูบาอาจารย์ที่นที่ท่านน่าจะมีเวลาที่เผยแพร่พระศาสนาทำํำการเผยแพร่ปิยญาแต่ร่างกายสู้ไม่ไหวแล้วในี่สุดก็มาเริ่มมาแก้ไขตรงที่มาพบหนวงพ่อเทียน กคบหลวงพ่อเทียนเราก็จะทำเหมือนเดิมของเราเนี่ยจะเคยทํำพะมาทั้งทำทั้ ง, งหนอทั้งพุทโธ ท, ทั้งอานาปามาเนี่ยพอพอมาทําวิธีการของท่านเราก็จะไปทำเหมือนเดิมท่านบอกทิ้งให้หมดถ้าไม่ทิ้งไม่ต้องมาทําแบบนี้มันคนละเรื่องกันไอเราเขขัดใจนะเราเแยงะไอทําไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นต้ก็ทํามาอย่างจริงจังนะทิ้งบอกให้ทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็ไม่ต้องมาทําแบบนี้ อาผมจะทิ้งย่างไงเพราะผมทำ ม, มันจนติดแล้วอะเออนั่นแหละมันติดตั้งแต่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันรอบรับแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอด้วยความเริ่มใสของท่านนะคําพูดคําจาล้วก็ลักษณะความอาถรรพ์ในการแสดงออกพันเป็นลวงตาแก่ๆที่มีความอาถรรพ์ยิ่งกว่าคนหนุ่มเพราะอะไรอ่าท่านก็เริ่มบอกวิธีการอะไรต่างๆที่ที่จะมาได้บอกนี่นแหละว่าเราจะต้องคือตัว สมถะนี่เขาทำกันมาก่อนพุทธเจ้าหลายพันปีแล้วถ้ามันไม่ดีจริงมันก็อยู่ไม่ได้ขนาดนั้นแหะมันจะต้องมีอะไรดีในตัวของมันดะที่มันอยู่ได้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่เข้าสู่การหลุดพ้นจากกิเลสแต่มัเป็นทางที่ไปสู่แค่พรหมโลกได้สงบถึงที่สุดไปสู่พรหมโลกชั้นนั้นชั้นนี้ได้แต่ว่าสมถะไม่ใช่ไม่ทําแต่ทําให้ตัวปัญญานำหน้าถ้าสถานนำหน้าแล้วมันเป็น สมถะของพราหมณ์เอ อ, เ, อ, อเราก็เลยคิดถ้าปัญญาาำน้าเนะี่ยมันจะเป็นสมถะของพุทธ อ, อสมระของพุทธกับพราหมณ์มันต่างกันไงหลวง่อถ้าสมถะของพุทธนั้นก็คือมาดูกายตามความเป็นจริงดูเวทนาตามความจริงแล้วไม่ต้องไปกดขม่มให้มันลำบากบำบัดแก้ไขมันพอทนได้แต่ไม่ถึงกับติดสบายสบายเกินไปก็ไม่เอา นักเกินไปก็ให้มันพอทนได้สมรฐาที่พอทนได้นี่แหละเป็นสมรฐาที่ไม่เบียดเบียนกายไม่เบียดเบียนจิตถ้าเราทรมานกายให้กายลำบากให้จิตลําบากท่านว่าเป็นสมรฐาแบบพราหม์เพราะเป็นการเบียดเบียนตนเองแล้วเราก็ไปติดแล้วต่อไปก็ไปสอนคนอื่นให้ทําอย่างตัวเองก็ไปเปลี่ยนเบียนคนอื่นอีกโดยไม่รู้ตัวว่การเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวโดยความสําคัญผิดนี่ท่านเรียกว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติ อมันก็มีนัยยะที่น่าฟังได้นะก็พิสูจน์ดูว่าอ๋ทําให้มันสบายแต่ทาไม่หยุดแต่ทําให้มันสบายเอาเป็นไปได้ว่าถ้าไม่สบายบางคนมันไม่ทำให้ไม่หยุดทําให้ต่อเนื่องมันก็ไม่สบายทําให้มันเป็นคือจะไปขัดขวางกฎของสัจธรรมอันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นของมันตั้งแต่โลกเกิดแล้วถ้าเราไปขัดขวางมันมันก็เล่นงานเราละ เช่นเรานั่งนานๆเนี่ยไปขัดขวางกฎของอา น, นิจังเพราะอะไรเพราะเลือดลมท่าสี่เขาต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่พอเรานั่งไปนานๆ น, น้ำหนักของเราหลายสิบกิโลเนี่ยมันไปบล็อกการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายมันก็จะไปเราก็ไม่ให้มันไปเพราะเราไม่ยอมเปลี่ยนเราคิดว่าอันนี้คือการใช้ขันติใช่ไหมไม่ยอมเปลี่ยนกดเอาไว้มันก็จะดนันดันไปดนันมา ไอความหนักหนุ่มมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นยุมอ่อนไม่ได้นอนใช่ไหมเมื่อคืนนั่งนั่งหลับกลับไปนอนเท่าก่อนเหงินก็ได้นะได้ค่ะว่านอนไม่หลับเพราะหลวงพอ่อไม่นิยมที่คนมานั่งฟังหลับตาแล้วฟังหลวงพอ่อต้องการลืมตาตงกว้างเพราะจะได้เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดถ้าหลับคือมันจะไปอีกมิติหนึ่งเลยนะไปติดความสงบมันจะไม่เข้าใจสิ่งนี้ดังนั้นในเวลาเราปฏิบัติ เราก็ต้องสังเกตเนี่ยสังเกตกฎการทํางานของมนิจังทุกขังหน้าตาในในในรูปเนี่ยมันทํางานของมันอย่างไรการผลของการทํางานของกฎของนิจังทุกขังมันออกมาเป็นอะไรเนี่ยเริ่มตรงนี้ละนี่เขาเรียกว่าสมถะแบบพุทธคือพิจารณากฎใจรักษเลยแต่กฎใจรักษณที่เป็นไปทางกายยังเป็นสมถะอยู่อะไรก็ตามที่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ยังเป็นสมถะอยู่ถึงแม้จะเป็นกฎใจรักก็ตาม นั่นเ็เรียกว่าสมถะแบบพุทธคือเอาใตารักของรูปเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์หมายถึงว่าเราไม่ได้เพ่งไม่ได้กดนะแต่คอยเฝ้าดูว่ามันมันแปรปวนขนาดไหนเราทนได้ไหมร่างกายถ้าถ้าว่าใจด้วยความอยากศรัทธามันทนได้แน่นอนคนใดมีศรัทธามากกดข่มได้มากทนได้มาก แต่ว่าร่างกายเขาไม่รับรู้ด้วยนะนั่งไปนานๆมันเจ็บมันปวดมันเหน็บมันชามันซื่อมันทึงมันตึงมันขัดไปหมดเลยร่างกายเขาเรียกร้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างนานแล้วแต่ว่าด้วยมานะและด้วยศรัทธาอันเป็นมิจฉาทิฐิของเราเนี่ยสู้ตรงนี้เขาเรียกความสําคัญผิดเข้าไปปิดกั้นการทํางานกดของตจรักมันผิดพลาดตรงนั้น มันผิดพลาดตรงนั้นเข้าไปปิดกัน้นการทํางานกดท้องใจเราเราต้องยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่ามันไม่สบายก็ไม่สบายจริงๆไม่สบายทําไงก็ต้องบําบัดแต่ลักษณะของการบําบัดเนี่ยมีสองลักษณะหนึ่งบำบัดแบบไม่รู้ตัวซึ่งทั่วไปคนทั่วไปมันเป็นอยู่แล้วไม่สบายตรงนี้เสียนไปตรงนั้นนั่งแบบนี้ไม่สบายก็เปลี่ยนเป็นปู้งนี้ตลอดเวลาแต่ถามว่าเขารู้เนื้อรู้ตัวในการบําบัดหรืการบําบัดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นเป็นการพออคูณอวิชชาและโมหตะตลอดเวลา เารียกว่าวิชาคือทําเพราะไม่รู้แต่พอมาเจริญวิปัสนาแบบสมถะแบบแบบเอื้อต่อวิปัสนาปับ๊บเราจะเปลี่ยนแต่ละครั้งเรารู้ซื้อก่อนเออเรารู้แล้วก็เปลี่ยนไปทุกครั้งแล้วก็ตามรู้ต่อไปว่าเออเขเปลี่ยนไปท่านนี้แล้วเนี่ยอะไรมันเกิดต่อไปอีกก็ตามรู้ไปตรงนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่คนเฉยพราอ พ, อ, พอเปลี่ยนไปปับ๊บรู้สึกสบายได้ได้ตามรู้ต่อไหมไม่เราก็ไปรู้เรื่องอื่นแล้วก็ลืมจยู่นั่นไปพอ รู้สึกตึงอีกทีนี้ขาตึงปวดขาแล้วอ้าวมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ตามรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี้เรียกว่าเราไม่ได้ตามรู้กฎของการทํางานของแต่ลักษมันจึงไม่เป็นองค์ของความรู้วิปัสนาแต่พอเราเข้าไปตามรู้กฎของแต่ลักษณ์ทำงานตลอดเวลาเป็นวิปัสนาขึ้นมาตรงนั้นวิปัสนาในฝ่ายที่เห็นสมุทัยคือความทุกข์ของรูปเกิดขึ้นก็ยังเป็นสมถะอยู่ แต่มันเอื้อไปสู่หลักของวิปัสนาละนี่เขาเรียกว่าสมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาคือตามดูรู้เห็นการทำงานของกฎของไตรลักษณ์แล้วบาบัดพอทนได้ไม่ใช่บาบัดเพื่อความสบายเอาพอทนได้ถ้ามันทนไม่ได้หมายความว่ามันก่อให้เกิดความไม่สบายใจด้วย แต่เราก็คิดว่าเราทนได้แค่กายนะแต่ทําไมมันถึงคือความหงุดหงิดไม่พอใจ อ, อึดอัดโดยลึกๆนั่นแสดงว่าไอระดับของพอทนได้ของเราตั้งไว้สูงเกินไปความจริงเอาว่าทนได้เนี่ยมันกําหนดไว้สมมติสิบนะะแต่ความจริงร่างกายของเราของเราทนได้แค่ห้าแต่เราเอาไปทนสิอีห้ามันไหลเข้าสู่จิตละเพราะฉะนั้นระดับของความทนของร่ายแต่ละคนนะไม่เท่ากันบางคนมีอินทรีย์อ่อน ถ้าไปตั้งอย่างสิบเต็มอย่างเพื่อนไม่ได้ลดลงมาแค่ห้าเราก็ทนไม่ค่อยทนไม่ได้นะคำว่าทนไม่ได้ไหมายความว่าร่างกายมันจะหนักยัน่วงนะแต่จิตของเราไม่เข้าไปารับรู้แต่มีจะเข้าไปยึดว่าความไม่สบายนี้เป็นเราและเป็นของเราแล้วเข้าไปาพยายามที่จะไปปฏิฆะหรือเกิดไม่พอใจกับอาการของหนักอันนั้น ความละเอียดตรงนี้ยากนะมาว่าผู้คนนักปฏิบัติจะเข้าไปอินไซต์หรือเข้าไปเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องนะแต่มันเป็นเรื่องสําคัญมากในะจุดเล็กๆตัว เ, เนี้ยสําคัญมากเอามาต้งซักซ้อมไปมาซักซ้อมดูไปมาไปมาระหว่างจุดนี้นานมากเลยทํามันทุกวันเพราะมันเรืเกิดขึ้นตลอดเวลาเดีววันนึงเราจะทํานานเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีใครเมื่อผิดกดอะไระนั่งแล้วลุกอีกลุกแล้วก็นั่งอีกดูว่าเกิดขึ้นยังไง ทำซ้ำๆๆๆๆหนึนี่ยท่านใช้คำว่าสาตจาักการิโนคือทําซ้ซําๆอย่างต่อเนื่องมันก็จะเห็นดิเห็นขยับแล้วขยับอ๋เป็นอย่างนี้ทีนี้พอพอเราจะทนมันก็รู้ในยะของการทนเออเราทนเนี่ยทนเพื่อไม่ให้ตัวทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้มันไหลไปสู่จิตเรารู้ได้ไงว่ามันไหลไปสู่จิตไม่ไหลไปสู่จิต ถ้ามันไม่ไหลไปสู่จิตจิตเรายังโปร่งเบาสบายอยู่จิตยังไม่ผิดปกตินี่เรียกว่าจิตไม่ได้รับผลของการล้นของเวทนาทางกายแล้วแต่เมื่อใดมารู้สึกอึดอัดงุดหงิดไม่พอใจลึกๆอ่าแสดงมันเข้าไปแล้วนั่นอะเราวัดว่าอ๋ออันนี้มันมันเกินแล้วเนี่ยเราก็รีบมาปรับที่ที่กายใหม่ เพราะฉะนั้นบางทีมาละเอียดเกินกว่าจะไปรู้แต่วิธีว่าบางอย่างมันกลายไปเป็นผลไปละแล้วก็กลับมาแก้ที่เหตุใหม่มาปรับที่กายใหม่ดังนั้นเอามาก็ได้สรุปว่าโอ้อาการไม่สบายทางจิตทางใจทั้งหมดมันมีผลมาจากความไม่สบายทางกายนั่นเองแต่เราไม่มีความแยบคายพอที่จะไปสกัดกั้นกระแสะการไหลเข้าสู่จิตความแยบคายเลยไม่พอดังนั้น แทนที่เราจะไปป้องกันมันไม่ทันเราต้องแก้ไขแล้วอันไหนมันล้นเกินบาบัดเอกไปก่อนตั้งต้นใหม่มาบาบัดที่กายใหม่ปรับกันอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งว่าจิตของเราที่มันมีความเพียรพยายามในการปรับแก้ไขกฎของใจรักทางกายมันเริ่มเป็นตัวรู้สติสมิญญขึ้นมาเข้มแข็งแล้วมันกลายเป็นสติ สัมผัสยะที่เป็นวิบัตินะขึ้นตัวรู้ตัวนี้จะชาบจะคมขึ้นมันเริ่มไปเห็นว่าอาการล้นของทุกเวทน า, นาทางกายที่เราตามรู้ไม่ทันเนี่ยที่เข้าไปสู่จิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ตัวปัญญาเริ่มเกิดล้ปัญญาอ่อนเบื้องต้นเริ่มเกิดแล้วพอไปเห็นอาการของจิตว่าจิตมันไม่สบายอ่าทีนี้เบื้องต้นจิตที่ไม่สบายเบื้องต้นมันแสดงออกมาในรูปของอะไรในรูปของนิวรณนทั้งห้า เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยท่านให้ให้ดูแลตรงนี้เลยนี่วอลทั้งหมันแสดงออกามาในรูปแบบไหนบ้างถ้าเราเสพความสบายที่เกิดทางกายเพราะเรามาันมันบ่อยๆถ้ามันสบายเกินมันจะออกมาในรูปของความง่วงอตรงนี้นะเพราะเราบางทีมันยังไม่ทันเรายังทนได้อยู่ แต่เราบำบัดเพราเราไปไปไปเสพติความสบายเข้าแล้วเรารีบไปบำบัดเกินไปมันก็สบายเพรสบายไปสบามันเผลอติดไปง่วงนะแทนที่มันจะตื่นนะอันนั้นความง่วงมาเพราะเราไปเสพความสบายทางสุขเวทังกายด้วยไม่รู้เท่าทันคือเป็นโมหะสัญญาณแรกตัวง่วงปรากฏนะอันนี้หมายเขาว่าเราเผลอสบายมากไปน้อยอันที่สอง บางครั้งเรารู้ว่าเราทนได้แต่ความจริงร่างกายมันทนไม่ได้มันเกินไปนิดนิดหนึ่งมันสั่งสมก็นหลายนิดเข้ามันสัญญาณออกมามันไม่ออกเป็นง่วงมันออกมาเป็นความรู้สึก อ, อ่ดอัดในใจนะในรูปลึกๆอันเรียกว่าอึดอัดก่อ น, อ, อ, นอึดอัดล้วก็รู้สึกไม่โปร่งแล้วออกมาเป็นความมุนหินนิดๆปฏิฆาอย่อยๆเช่นใช้คว่าพยาบาทะ อันที่สองเนี่ยนะตัวนิวรณนะ์อันที่สองเพราะฉะนั้นพยาปาท่าเกิดผลตั้งจากว่าเราวัดค่าของความไม่สบายทางกายผิดไปในทางไฟที่เวทนามันเกินทางทางกายแต่เราทนได้แต่ใ น, นตัวร่างกายทนได้ที่เราตั้งเกณฑ์ไว้สูงเกินไปมันกลับไหลไปสู่จิตโดยไม่รู้ตัวมันจะออกมารูปของความหงุดหงิดและปฏิฆะตัวนิวรณ์ทังสองที่สองเป็นเหตุให้ตัวพอปฏิฆะบอกเข้าเราไม่เข้าไปาบบวช มันก่อให้เกิดตัวนิวรณ์ตัวที่สี่คือคอุทัจษะความฟุอ่าความฟุ้งซ่านเกิดมาจากเวทนาฝ่ายทุกขเวทนาเกินความง่วงเป็นฝ่ายสุขเวทนาเกินเพราะฉะนั้นตัวนิวรณ์ตัวที่สามที่สี่เนื่องมาจากเราบำบัดแก้ไขไม่ดีในตัวนิวณ์ตัวที่หนึ่งและที่สองมาเห็นโอ้ยอย่างนี้เองที่เขาแก้นิวรณ์ไม่ได้เพราะมันไปปรับ ความพอดีระหว่างความสบายไม่สบายทางกายไม่ชัดมันจะมีส่วนเกินสะสคมคนทีนิดๆออกมาเป็นตัวง่วงกับตัวฟุ้งซ่านเราก็ไม่รู้เอ๊ะเราก็นี่เราง่วงฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้เอาไปามาเราเกิดตัวที่ห้าคือสงสัยมันเกิดขึ้ น, นได้ยังไงเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเพราะเนื่องจากไอ้ตัว เวทนาทางกายนี่ความไม่สบายไม่สบายทางกายมัละเอียดอ่อนมากตัวรู้คือสติสมิญญาของเรายังไม่แหลมคมพอที่จะแยกออกตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงทั้งสามตัวนี้ได้ยากเมื่อปัญญาของเราไม่เติบโตต่อเมื่อเราแก้ไขซักซ้อมตัวนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ย, ขายานที่หนึ่งนา ม, มารูปปฏิเทธญาณปรากฏในยานสิบหกที่เขามาเรียงกันนะนะเป็นไงก็คื อ, คอนอนไม่ขับออกใช่ไหมโยมสุภาพ ง่วงหลายทีแล้วหาวหลายครั้งแล้วนะี่สังเกตีินะเพราะฉะนั้นมัน ท, ทําถ้าจะหาวเรางับไปก่อนเลยกันนะนี่มปล่อยเต็มที่เลย น, ะนี้เพราะฉะนั้นในตัวนี้เมื่อสัญญาณขยะนนำ ม, มารูปปฏิเสธยานตัวง่วงก็ดีตัวฟุ้งซ่านก็ดีมันเป็นนา ม, มารูปการเข้าไปแก้ไขบำบัดต้นและเหตุ เหตุต้นและเหตุปลายเหตุต้นคือความสบายไม่สบายกายใช่ไหมเหตุปลายคือความง่วงและความฟุ้งซ่านการที่เข้าบำบัดแก้ไขตรงนี้ความง่วงและความฟุ้งซ่านเป็นนามรูปแต่ความสบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายเป็นรูปนามแต่ความสบายใจไม่สบายใจเป็นนามรูปละการเข้าไปตามรู้การแก้ไขบำบัดความง่วงก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีบ่อยๆมันเกิดเป็น ยานที่หนึ่งขึ้นมาแล้ว่านา ม, มารูปปฏิธีเททยานเพราะฉะนั้นยานสิบหกที่เขาลําเลียงกันเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องไม่ได้ยืดโยงกับความเป็นจริงอ่งสมัยก่อนพอเราเรียนหนอไปก็ต้องมาเรียงยานสิบหกกันนใช่ไหมฟังลําดับยานกันเออเอามาเรียนก็เยอะคุณชโชดดุท่สมัยต้นตอนเลยนะเรียนหนอเนี่ยสมัยนั้นามาเรียนมหาจุฬาได้เรียนกับท่านเขามานั่งแล้วเออเราก็ ลำดับยานสิบผ่านได้หลายครั้งแต่ทําไมปฏิฆาความหงุดหงิดความอยากความโรคโขหลวงยังอยู่เหมือนเดิมสแสดงมันมันไม่ใช่ยานที่ถูกต้องม่นได้ยึดยอยู่กับความเป็นจริงพอมาเข้าใจหลักหลวงพ่อเห็นมาลำดับใหม่โอ้มันยึดยองอะไรเยอะตัวนี้ก่อให้เกิดตัวนี้มันเกิดขึ้นในลูกของปฏิเจสุบาทอย่างเนี่คือปฏิเจสุบัติของจริงโอ้แล้วคนทั่วไปถ้าไม่แยบใครจริงจริงมันจะแยกตรงนี้ได้งไงมันก็ลุ่มที่จะเวลา บอกให้ญาติโยมต้องต้องต้องบอกมัญญาานแยบขายขนาดนั้นแต่ใครจะทําได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนึงนะนี้แล้วแต่ศรัทธาและความพยายามของใครของมันแต่หลักการเป็อย่างเงี้ยแหละนะตอนนั้นอุปสรรคเบื้องต้นที่สุดของทั้งสมถะวิปัสสนาก็คือตัวนิวรณ์นะเขาเรียวกว่าเสนามานนิวนรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอันแรกการไมฉันทะคือ เ, คเราไปรักความสบายใช่ไหม รักความสบายแล้วก็ไปพกคุ้มคนสบายอันไหนมันไม่สบายแล้วกออ็ไม่ชอบเนี่ยในการที่เราไปพกคุ้มอุนสบา ย, บายจนปีนิสัยมันก็คนมันเลยง่วงง่ายไงนิวร์ในมาก่อนเลยแค่เท่าไรเราก็ยังง่วงอยู่งั้นเพราะเราไปรักความสบายกินอาหารที่อร่อยชอบอนอนก็นอนให้มันสบายก็เสพสุขกับความสบายเพราะฉะนั้นการนิวร์ตัวแรกที่มันแต่ละคนติด ไม่ใช่ตัวที่หนึ่งที่สองตัวที่หนึ่งที่สองเป็นเหตุของตัวที่สามที่สี่เพราะฉะนั้นตัวง่วงจึงมาแรงเพราะนิสัยคนทุกคนรักความสบายเมื่อรักความสบายสเสพเกินเหตุแล้วมันก็ไปเกิดเป็นตัวอุทัยตัวถีนามิทะนั่นแหละนเะมื่อเป็นอย่างนี้รู้เข้าใจกฎเกณฑ์นี้มันก็เลยข้ามนิวรได้ง่ายแทนที่เราจะไปอะคอยบำบัดความง่วงหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยไปบำบัดความรู้สึก ไม่ให้เสียในความสบายและไม่สบายของกายความบัมบัดเอาให้อดทนได้แต่พอดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปหลงเสียมันปั๊บก็ไม่มากเราก็มาแก้ไขปลายเหตุคือความง่วงและความฟาุ้งซ่านก็ไม่ยากละเพราะมันเสียมน้อยดังนั้นท่านจึงสอนเรื่องโยนิสูมนัสิการให้แยกคลายในการเฝ้าดูเพราะรูปนามมันเป็นส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมเราสามารถแยกคลายเท่าไหร่ได้เพราะมันเป็นส่วนที่สัมผัสได้ แต่ทำไมเราจึงไม่ค่อยลงลึกตรงนั้นเพราะว่าศรัทธาและความเพียรของเรายัางไม่พอศรัทนธะาที่ถูกต้องนะศรัทธาที่ถูกต้องไม่ได้ศรัทธาตามฉันอยากนะศรัทธาที่ถูกต้องท่านท่านว่าไว้สี่ประการท่านิยามไว้สี่การนะหนึ่งกรรมวัทธาใช่ไหมคือคือต้องเชื่อมั่นในการกระทาลงไปนะเชื่อมั่นในการกระทำไม่ใช่คิดเอานะต้องทำเอาต้องเชื่อมัน่นสอง ทำแล้วต้องเห็นผลชัดๆสมมเวลาเวลาเรานั่งเนี่ยถือว่าเป็นกายกรรมใช่หมกายกา ร, ราทำทางกายนั่งแล้วผลมันอะไรเกิดขึ้นรู้สึกหนักใช่ไหมหนักเป็นผลของการนั่งแล้วเวล า, ากายกรรมที่อาการหนักเนี่ยเป็นกายกรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีฝ่ายสุขหรือฝ่ายทุกข์ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบฝ่ายกุศลหรือกุศลความรู้สึกนั่งแล้วมันหนักเนี่ยในผลทางกาเนี่ยเราถือเป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ พราะมันรู้สึกไม่สบายใช่ไหมอ่านี่เขาเรียก อ, อากุศลทางกายอากุศลทางกายในความรู้สึกแต่พอเราบําบัดปั๊บเนี่ยอกุศล น, นั้นหายทันทีรู้สึกเป็นความสบายความรู้สึกสบายเนี่ยเป็นเหตุแก้ให้เกิดกุศลหรืออกุศลเป็นเหตุแก้ให้เกิดกุศลความรู้สึกสบายเป็นความเป็นกุศลทางกายอ๋ออันนี้ก็เลยต้องเชื่อมั่นในกรรม ลักษณะสองอย่างกุศลกรรมและอกุศลกรรมต้องเชื่อมั่นในสองอย่างนีอย่างชาเจริพิสูจน์ได้ด้วยว่ากุศลอกุศลเกิดแบบไหนสัมผัสได้ไม่ใช่ว่าไปสัมบัติอกุศนที่เป็นผลนะเหตุของกุศลอกุศลมาจากรู้สึกสบายไม่สบายของกายนั่นเองของกายก่อนก่อนที่มันจะไปเป็นเหตุอกุศลทางจิตแต่ถ้าเหตุอกุศลทางกายที่เป็นความสบายเราไปเสพกุศลเช่นนี้มาก มันก็จะเป็นอกูศลนทางจิตคือนิวรคือัวงวงที่ว่ามาเมื่อกี้เห็นไหมมันสื่บสารมันยึดโยงกันแบบนี้แต่พอเราได้สติสัมยาะเข้าไปบำบัดแก้ไขโดยที่ไม่เสพในความสบายเกินไปคือพอทนได้แล้วก็ไปเฝ้าดูว่าไอความหนักเนี่ยถ้ามันเกินมันเป็นอกูศุนทางแต่ว่าแน่นอน่ะมันเอาความพอดีไม่ได้ทางกายเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงแต่ก่อนที่จะบาบัด ความที่ไม่ให้เกินพอดีการที่จิตเข้าไปบัตรด้วยการไป น, นึกว่าปวดหนอปวดหนอความปวดที่จงหายไปเนี่ยมันหายตามที่เราต้องการไห ม, ไมเพราะมันไม่ถูกเหตุของมันอ่าก็คือต้องมีการปรับการปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนี่เป็นฝ่ายเหตุก้าให้เกิดสติสมัยยักษเป็นฝ่ายกุศลใช่ไหมถ้าปรับด้วยไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวเป็นเหตุก้าให้เกิดอะไร ความสบายนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลคือการโมหะเห็นไหมบางทีความสบายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลก็มีความไม่สบายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกุศลก็มีตรงที่ว่าเราพอทนได้พอทนได้นี่ไม่ใช่สบายนะใช่ไหมแต่ว่ามันพอทนได้ทําไมถึงทนได้เพราะความไม่สบายนั้นยังไม่ไหลเข้าไปสู่จิตเพราะจิตยังสบายอยู่จิตยังเบาสบายอยู่ร่างกายถึงจะหนักบ้างแสดงว่ามันทนได้ แต่เมื่อใดรู้สึกมันตึงอิดตึงอิดอยู่ในใจแล้วเออแสดงว่ามันจะล้นละก็ต้องลงที่จะปรับถ้าหากว่าเราไม่ซับซอยไม่ลงปรงนี้ให้ละเอียดนะมันมันข้ามไปหมดเลยถามว่าเวทนาที่ว่ามันเนี้ยมันมีบางครั้งหรือมีอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านักหนักเบาเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับถ้าศรัทธาในการการะทํากรรมศรัทธาตรงนี้ มันก็จะเป็นศรัทธาถูกต้องล่ะและมีผลด้วยนะมีผลว่าถ้าเราการกระทาที่ถูกต้องเป็นสัมมากัมมันตะขึ้นมาปับ๊บผลก็เป็นกุศลผลก็ออกมาถ้าปรับไม่ถูกปับ๊บมันเป็นอกุศลก็เรียกกรรมะวิปากศรัทธาว่าการกระทานี้ถ้าเราทำทุนุผิดมีผลนะมีผลตกกับตัวเรานะอะ่กุศลในฝ่ายกายที่ความสบายถ้าหากว่าเรา เสพเกินมันมีผลให้เกิดง่วงนะอกุศัลทางกายถ้าหากว่าเราไม่รู้จักบำ บ, บัดให้ถูกต้องมันเป็นให้เกิดตัวฟุง้งซ่านนะมีผลแล้วเราเห็นผลตนี้ชัดออเราเชื่ออันที่สามผลที่เกิดนั้นเราต้องได้รับเนื้อเนื้อเลยนะคนอื่นไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องด้วยเราเองเป็นผู้รู้เป็นผู้ได้รับเผลนี้เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นการที่เราจะต้องศึกษาโดยแยกใครให้เข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้ต้องเห็นให้ถูกว่าอาการของสบายๆเดี๋ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นอาการของการทํางานของกฎของไตลักษณ์ลักษณะที่เข้าไปเห็นอย่างนี้เรียกว่าเข้าไปเกิดเข้าใจสัมมาทิฏฐิอ๋ออันนี้ทุกมันมีเหตุนนะสุขมันมีเหตุนะน ะ, นะรู้จักมันก็เข้าไปสู่กฎ อริยสัจโดยโดยอนมัติเขาหมดเลยถ้าทําถูกนะมันจะไหลไปสู่เราจะรู้จักอริยสัจหรือไม่ก็ตามถ้าท่านถูกต้องมันจะเป็นกฎอริยสัจโดยโดยอัตโนมัติของเขาหมดโดยที่ไม่มีหลักปริยัติแต่ถ้าทําถูกต้องตรงนี้นะเอาละทีนี้เรารู้ไงว่าทั้งสามข้อถูกหรือไม่ถูกตัวสุดท้ายเป็นตัวบอกเช่นเช้าว่าตถาคตะที่ศรัทธาความเชื่อทั้งหมดนี่มันจะต้องสอดคล้องการตรัสรู้ของพรตถาคต คือที่พุทธิยาตรัสไว้ว่ามันต้องสอดคล้องตรงนั้นถ้าเราไปถูกผิดตามที่เราคิดเอาไม่ได้แต่ว่าที่พุทธิยาตรัสไวไ้อย่างไรคุณต้องไปเทียบดูตรงนั้นว่าใช่หรือไม่ใช่ ต, าตาถาคตาโพธิสัตย์อันนี้เรียกว่าศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดด้วยปัญญาแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่ใช่ส่วนใหญ่ะนะไปเก้าสิบเก้าเซนตมันเป็นศรัทธาตามที่เราอยากถ้าเราอยากสิ่งใดเราก็มีศรัทธาต่อสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนเราก็พยายาม เพราะเรามีศรัทธาต่อสิ่งนั้นแต่ในพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามกฎของใจรักแล้วก็ทําตามให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็สู่หลักของกฎอริยสัจโดยไปดูนิยามของสัมมาทิฏฐิว่านิยามว่าไงก็ลุกกฎของอริยสัจสี่นั่นเองใช่ไหมเห็นทุกเห็นการเกิดทุนการแต่ทู้เห็นวิธีการดับทุกเห็นทุกคือความหนักขาเนี่ยทุกใช่ไหมสมมุติง่ายๆนะเหตุเกิดมาจากอะไร นั่งนานไปไปสมุทัยใช่ไหมแล้วก็ที่เราจะดับมันได้ไหมได้ถ้าดับมันก็คือทำให้มันเบานี่เป็นการที่เข้าพยายามตามรู้เห็นความพอดีอันไหนเกินพอดีอันไหนมันไม่เกินพอดีการที่เขาไปตามรู้ตรงนี้คำนวณหาความพอดีตรงนี้เขาเรียกว่ามักแล้วก็บาบัดให้ความหนักนั้นออกไปเป็นนิโรธเพราะนั้นต้องเข้าใจกฎของอะรียสัต ส, สีของกายก่อน ถ้าเราจะไปเข้าสู่อริยสีข อ, ของของของจิตหรือของนามต้องเข้าใจหลักอริยสีของรูปให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายเห็นง่ายเห็นชัดเมื่อเห็นง่ายเห็นชัดอย่างนี้ปับ๊บเราก็ทบทวนบ่อยๆการเข้าไปทบทวนบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเกิดทักษะหรือว่าเกิดกุศลขึ้นมาและกุศลรนี้ก็ไปเกิดตัวปัญญาและปัญญาตรงนี้มันก็จะเห็นะบวนการการทางานของ ใตรักษและไปแก้ไขกฎทํางานการวังเขาใจรักอย่างถูกต้องมันไปเป็นสัมมาทิฏฐิคือมรู้อริยสัจโดยธรรมชาติของมันเลยตรงนี้เรียกว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเรื่องของสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องเล็กๆแลยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ถ้าเราขาดปัญญาขาดโยนิสูมนัสิการสัมมาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสมัมมาทิฏฐิเหมือนกันแต่มันไม่สมบู100มรณ์ร้อยเร์เซ็นตสัมมาทิฏฐิกี่เปอร์เซ็นต์นะ ไม่ใช่ผิดทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นในจุดนี้ในวันนี้อยากจะให้แต่ละคนไปไปทดสอบไปซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องนี้เอามาจะไม่ให้อาเลิดเบลอไปหลายๆเรื่องนะเอาเอาประเด็นตรงนี้ให้ชัดว่าทุกคนมีเวทนาประจําตัวอยู่เอาตัวเวทนาสบายไม่สบายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบว่า นิวรณ์ตัวไหนมันเกินตัวไหนมันขาดนะถ้าสุขมันเกินความสบายทางกายมันเกินออกมาในรูปของง่วงถ้าทุกขเวทนามันเกินโดยที่ไม่ตา ม, มาบัตบมาในรูปของความอึดอาดและฟุ้งซ่านาแล้วการไปแก้นในสิ่งพวกนี้ไม่เป็นมันเกิดสงสัยว่ากูทำถูกหรือทาผิดทาได้หรือไม่ได้ลังเลขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตั้งคุยชันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนั่นคือพิจิกิชา องค์ที่ห้ามาเลยนิวรณนก็จะเกิดครบตามนั้นดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้านิวรณ์สงบอารมณ์รูปนามปรากฏเลยไม่เกิดปิติบางทีบางคนวันเดียวเลยนะเออสองวันอาจะมาไปทําที่เชีกโกยมสองวันเนก็ตเลยอมั น, ม, นมันง่ายขนาด น, นี้เลยเหรอเ อ, อที่ได้ง่ายมันจะเสียง่ายด้วยนะถ้าคุณทําไม่ต่อเนื่องกันนะไ้เรื่องได้ไม่ยากแต่ไอ้ตรงที่จะรักษาไว้แล้วให้มันดีขึ้นนะเป็นเรื่องยากมาก เพอัะ น, นั้นความถูกต้องพุทธเจ้ามุ่งสอนความถูกต้องนะไม่ได้มุ่งว่าคุณต้องทําให้มากต้องทําให้เยอะต้องทําให้หนักแต่ใ น, นเมื่อคุณยำทำอย่างต้องคุณจะทําเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ผิดคุณจะทําหนักเท่าไหร่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณทําไม่ถูกต้องยิ่งหนักยิ่งมากมันก็ยิ่งผิดทางไปเรื่อยๆเหมือนเราเดินทางถ้าจะมุ่งไปเชียงใหม่แต่หัวรถมันไปทางกรุงเทพอ่ะคุณจะวิ่งเร็วขนาดไหนคุณจะขยันขับวิ่งขนาดไหนมันก็ไม่ถึงเชียงใหม่แล้วเพราะหัวรถไปผิด เพราะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวขบวนของมรรคทั้งหมดเป็นหัวขบวนถ้าหัวขบวนไปถูกมรรคทั้งแปดมรรคทั้งเ็ดที่ตามมาถูกหมดถ้าหัวขบวนไปผิดคือมิจฉาทิฏฐิทั้ง8ดก็เป็นมิจฉาทั้งหมดเหมือนกันดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคแปอริยสัจสีมันจึงเป็นขบวนการปฏิบัติไม่ใช่เป็นทฤษฎีแต่ในกรณีที่เราไม่เข้าใจและนําไปใช้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นทฤษฎี แต่พอเราไปใช้ถูกมันกลายเป็นภาคปฏิบัติเป็นประยะปฏิเวทไปในทันทีเลยแต่ถ้าหากคุณไหนมีความแยบคายบําบัด ต, ตรงนี้ได้ดีปั๊บเนี่ยวันสองวันก็จะเกิดความเบาสบายของกายแล้วเพราะอะไรเพราะเราเฝ้าแต่คอยบําบัดเวทนานั่งกายเบาสบายจิตใจเบาสบายไม่มีนิวรณหนักหน่วงปับ๊บปีติมันก็เกิดสมาธิมันก็เกิดก็เห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจชัดเจนเท่านั้นเองอแต่ถ้าหากว่าทําไม่ถูก คุณแค่รูปนามง่ายๆคุณตัวยังไม่รู้อ่ะแต่เป็นเรื่องสัญญาเอาจำเอาเอาเอรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ของจริงเพราะไม่ได้เห็นจริงๆหรอแต่เห็นแต่อาการว่าเออความรู้สึกกลายเป็นรูปความรู้สึกใจเป็นนามใครก็รู้ใครก็จําได้แต่เวลาไปเราจะรู้ว่าจริงไม่จริงตอนที่ถูกกระทบเพราะฉะนั้นความเข้าใจระหว่างสัญญากับปัญญาเนี่ยมันคล้ายกันมากหลวงพ่อเทียนแทบเปรียบว่าอย่างนี้ว่าเอาควายมาสองตัวถ้าเป็นควายสตาฟตัวหนึ่ง เป็นควายจริงตัวหนึ่งไอ้ความเซตัฟนี่นี่ไอ้ช่างมันเก่ง ว, ว่าทำไม่ได้เหมือนมากเลยนะเอามายืนไว้แล้วก็เอาควายจริงตัวหนึ่งมายืนตัวนี้แล้วก็ยืนดูไกลๆแต่คนไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นควายเซตัฟนะก็ดูไกลๆควายสองตัวยืนเรียงกันเราจะรู้ว่าตัวไหนเป็นควายจริงตัวไหนเป็นควายปลอมเราจะรู้ได้ไงควายปลอมมันเป็นไงไ ม, มันจะนิ่งแต่ควายจริงเป็นไง อย่างน้อยมันก็ต้องเป็นกระดิ่งหูเข้าตาใช่ไหมมันเข้าใจเห็นตรงนั้นแหละเห็นความเป็นชีวิตของมันเหมือนกันความเข้าใจที่เป็นสัญญามันก็เหมือนควายปลอมมันนิ่งมันเหมือนมากเลยแต่ความเข้าใจโดยปัญญามันเหมือนควายจริงนะควายจริงมันจะมีอาการอะไรมันบอกพองเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าใจหมายความเห็นอาการเห็นกายเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นจากความเข้าใจที่จำเป็นเห็นภาวะหนักต้นหนักจริงจริงเบาก็เบาจริงๆ ทนได้ทนไม่ได้แค่ไหนเนี่ยมันรู้จักลิมิตเพราะฉะนั้นคนตั้งแต่เข้าใจรูปนามเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มรู้จักวิธีการบําบัดทุกขเป็นหลักเพราะเริ่มต้นทางตรงนั้นเพราะนั้นที่พูดไปเมื่อวานว่ามาจึงไปถามเรื่องรูปนามบนหลวง่อเทีนเป็นคำแรกแล้วท่านตอบออกมาอย่างนั้น <c oughs> ว่าจะมาค้นรหัสอันนี้ได้ห <c oughs> นะัใช้เวลานะใช้เวลาดังนั้นถ้าจะเป็นตัววิปัสสนาโดยปัญญาแล้วต้องใช้ความพยายามทําความเข้าใจสังเกตศึกษา อย่าไปเอาแต่ทำทำทำทำถ้าหากว่าเราเข้าใจยังไม่ถูกต้องทําไปมันผิดไปเรื่อยๆแล้วแก้ยากด้วยนะผิดทางจิตทางใจเนี่ยหลงติดยาเนี่ยแก้ง่ายแต่หลงติตใจในี่แก้ยากทันั้นเลดังนั้นเองเราก็ไม่ต้องกลัวเสียเวลาแต่นินพยายามทําให้ถูกต้องแยกคายให้ถูกต้องไปทีละขณะทีะขณะเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเสียเวลาเพราะอะเพราะมันมีเวลาเป็นวัตถุดิบมียุติธรรเวลา มันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมไม่นักก็บอกไม่บ au, อกเพืนับไม่สบายก็สบายสำหรับก็อยู่อย่างตลอดแต่เราจะมีศรัทธาและมีความเพียรแค่ไหนที่จะเข้าไปทําความเข้าใจตรงนี้ยให้บ่อยๆไอการที่เข้าไปซักซ้องทําความเข้าใจบ่อยท่านเรียกว่ามักนะเราเจริญมักแล้วมักตัวนี้ถ้ามันถูกต้องปั๊บมันจะเป็นนิโรธแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องปั๊บมันเป็นมิจฉามักก็นิโรธมันก็ไม่เกิดนะ นั่นเองก็ทบทวนอีกทีนะว่าการปฏิบัติเราเริ่มต้นที่ความรู้สึกทางกายสังเกตความรู้สึกทางกายบำบัดความรู้สึกทางกายหนักก็ต้องบำบัดเบาก็ต้องบำบัดนแต่ส่วนใหญ่เราบำบัดแต่หนักไม่บำบัดเบาเราไปเสพซะนี่ข้อผิดพลาดของเราก็อยากจะให้มันสบายถ้าทําอย่างเนี้ร่างกายของเราก็จะไม่ถูกจะไม่เสียหายร่างกายของเราไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกทรมาน นะร่างกายก็ยังเข้มแข็งอยู่ปฏิบัติไปก็ยังเห็นความสบายร่างกายได้จี่ใจมากขึ้นเบาสบายมากขึ้นการปฏิบัติมรรคผลแบบนี้มันก็ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานอย่างที่พุทธเจ้าท่านเคยทํามาแบบท ร, รมานกายตัวเองเกือบจะตายไปท ร, รมานวิธีที่ว่าเข้าใจผิดจากฤาษีทั้งสองอ่ะเพราะฉนั้นพอมาทําของท่านเองก็ง่ายๆแต่ชั้นหลังมาเราไม่รู้มันเป็นยังไงมันก็กลับไปหาความเมืนเดิมไปท ร, รมานอ แต่พุทธิเจ้าถ้ามาไม่ทรมานกายไม่ทรมานใจแต่ให้ทรมานกิเลสนว่าวทรมานกิเลสถ้าหากว่าไปหลวงทรมานกายทรมานแต่มันระหว่างทรมานกายก็ทรมานทรมานกิเลสก็ทรมานใจเนี่ยมันยกตัวอย่างว่าถ้าเราปวดหนักๆแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนว่าเราจะทรมานกายหรือทรมานกิเลส เออตรงนี้นะข้าวเกี่ยวกันค่อนข้างเยอะถ้าหากไม่แยกไ า, ายพอนะการที่เราทนต่อความปวดของกายกับทนต่ออารมณ์ต่อความอยากของใจทั้สงอย่างนะกายกายต้องมีแล้วนะกายต้องมีแล้วนะกายก็ อ, อยากให้หายกายนี่เป็นกิเลสไหมคือ พ, พี่เช น, เนกายนี่เป็นกิเลสไหม คุณวิดากลายเป็นกิเลสมั้ยกายไม่เป็นกิเลสมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ที่จิตที่ได้ไปเกี่ยวข้องของกายที่ความสบายไม่สบายตรงนั้นถ้าเกี่ยวข้องถูกหลักพุทธธรรมมันกลายเป็นปัญญาถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกตามหลักพุทธธรรมมันกลายเป็นความอยากอย่างสมมุติความสบายเนี่ยเราอยากให้มันมากจํานวนนะไปเสพตัวนี้เป็น กิเลสแล้วใช่ไหมเป็นกิเลสแล้วแต่ความอยากความไม่สบายเราไปทนมันบังคับมันโดยที่ไม่ต้องบําบัดให้มันมันอนิ่งอยู่นานๆโดยให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ความอยากให้มันเป็นไงอยากให้มันนิ่งไงนะมันนิ่งแต่ว่าร่างกายมันนิ่งจิตอร่างกายมันนิ่งกับเราไหม ม่นิ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันแต่ด้วยความอยากของเราทําให้มันนิ่งได้แต่ว่าจจกลายมันไม่ได้นิ่งด้วยมันก็เดินลงไปเรื่อลยๆแหละควรที่จะทำงานไปเรื่อยตรงเนี้คือเป็นกิเลสแต่ว่าร่างกายที่เราพอทนได้สบายโดยไม่เสพร่างกายไม่สบายเอาทายทนได้เมื่อสูขขึ้นมาเราไม่เสพการเสพนั้นเป็นกิเลสแต่ความสบายไม่สบายเป็นธรรมความสบายไม่สบายของไกายเป็นธรรม เป็นธรรมของของร่างกายแต่อาการที่มันเกินเนี่ยแล้วจิตใจไปรับเข้ามาเสพตรงนั้นส่วนเกินมันเป็นเริ่มไปสมูทัยแล้วเป็นกิเลสตรงนั้นตรงกิเลสตรงที่ไม่รู้เท่าทันความขาดความเกินของมันเป็นกิเลสแล้วเราจะต้องตัดใจสมมุติเราจะไปเสพความสบายแทนที่จะนั่งสักหานาทีก็พอแต่รู้จิตมันยังสบายอยู่นะยังเสพจิตมันนิ่งถ้าขยับไปกูสมาธิมันจะขยับอ๋อร่างกายทนไปอีกหน่อยนะ อยที่ให้อ่าเข้าสมทธิได้ลึกๆอ่าร่างกายทนไปอีกหน่อยในที่สุดเราก็ไปติดสายคามสงบตัวนั้นใช่ไหมลักษณะนี้เป็นกิเลสหรือเป็นปัญญาเออน่าคิดนะพิจารณาให้ดีนะเพราะมันเป็นความอยากใช่ไหมคืออยากจะให้จิตสงบมากขึ้นแต่ร่างกายมันสงบตามเราไมไม่ ไ, ไปเบียดเบียนร่างกายแต่ว่ามันไปเกิดตัว กิเลสความอยากเหนั้นมันก็มาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันเรื่องเข้าฌานเรื่องสงบมันเป็นเรื่องดีนะแต่ทำไมมันออกมาเป็นมานาอัตตาขึ้นเรื่อยๆอ๋อมันเป็นกิเลสนั่นเองแต่เนื่องจากว่าความที่เข้าใจไม่ชัดไม่แยกขายมันก็เปลี่ยนกันไปอย่างนั้นดังนั้นต้องยอมรับว่าวิปัสสนาจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ต้องทําความเข้าใจบ่อยๆต้องตรวจสอบบ่อยๆลักษณะการเข้าทําความเข้าใจตรวจสอบนั่นเรียกว่าโยนิสุมานสิการ อยู่นิสสมเบคือเข้าไปดูถึงต้นเหตุของมันน่ะแก้ต้นเหตุคือแก้ที่กายก่อนแต่ถ้าเมื่อใดมันเกินหรือมันขาดเข้าไปสู่จิตท่านให้มาใช้คําว่าธรรมวิจยะแยกอีกทีหนึ่งธรรมวิจยะคือวิจัยออกมาให้ได้กับว่าอันไหนมันมันกายอันไหนมันจิตอันไหนมันกิเลสอันไหนมันเป็นอกุศลอกุศลอันไหนมันเป็นสัญญาอันไหนมันเป็นปัญญาการเข้าไปเฝ้าดูตรงเนี้ ตัวเนี้ยต้องต้องแยกแยะต้องรู้วิจัยละแล้วเราจะตัดสินได้ไงว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัดสินด้วยว่ามันเบากายเบาใจมันร่างกายปลอดโปร่งจิตใจปลอดโปร่งไหมดูความดูความคอยสบาย ป, ปลอดโปร่งโล่งโปร่งไหมจิตใจอึดอัดไหมจิตใจเศร้าหมองไหมร่างกายเป็นไงจิตร่างกายรู้สึกบีบคั้นไหมจิตใจรู้สึกอึดอัอดหรือมีความอยากความรู้สึกสบายโล่งโปร่งของจิตกับความอยาก มันก็คนละอย่างนะความร่องปลงบอิสบายขางจิตนี่ก็คือรู้วันเฉยๆอะ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นความอยากร่องปลงบอิสบายแต่เราไม่รู้พอไม่รู้ปั๊บเราไปเสพความสบายคือร่องปลองอันี้ใะก็อยากจะให้มันอยู่นานๆไม่อยากจะกให้จิตเป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นจิตของเรามันจําเป็นต้องมารับรู้ต่อเวทนาทางกายแก้ไขมบำบัดท่านจึงบอกว่าระหว่างกายกับใจเนี่ย ถ้าใจที่เป็นสมาธิิเหมือนหมอแต่ร่างกายนี่จะไปเอามิจฉาทิฏฐิสมาธิิกมันไม่ได้มันคือธรรมชาติของใจรักแล้วแต่หมอว่าจะบำบัดเพราะมันเหมือนคนป่วยร่างกายเนี่ยเพราะมันเป็นป่วยด้วยทุกเวทนาตลอดเวลาแต่ถ้าว่าหมอคนนี้เป็นหมอที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ยอมบำบัดให้มันถูกเหตุร่างกายก็จะป่วยจิตใจก็จะป่วยเพราะฉะนั้นตัวสมาธิิองค์เดียวเนี่ยพุทธเจ้ายกย่องว่า สมมทิฐิสมมาธานาสภาพุขาอุปจจกขุงว่าผู้ใดก็ตามที่เกิดความข้อใจถูกต้องแล้วทาความข้อใจถูกต้องอยู่เสมอคนนั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในมรรคอื่นท่านไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่มรรคตัวเดียวคือสมาทิฐแล้วสมาสังกปะจนถึงสม า, าสมาธิสมาญาณสมาวิมุติท่านไม่ได้บอกว่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่เมื่อเกิดสมา ธ, ธิเรื่องจะพ้นทุก ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่มันยากเพราะตัวสมาธิตรนั้นมันยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นะดังนั้นความละเอียดความแยกคายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิปัสสนาแต่เรื่องสมถะไม่ต้องละเอียดแยกใคไ็ได้ทำตามศรัทธาทาตามความอยากได้เพราะแต่ความสงบท่านบอกสงบจากกิเลสไม่สงบจากอารมณ์ าการที่ไปสะกดให้อายตนะทั้งหกลับรู้ต่ออารมณ์ภายนอกนะท่านบอกว่ามันเป็นพรามณ์เพราะมันสงบจากอารมณ์ก็จริงแต่ว่าจิตมันยังปรุงแต่งลึกๆข้างในอยู่กิเลส ข, ข้างในมันทํางานอยู่ท่านบอกให้สงบตัวนั้นนะให้สงบจากตัวนั้นแต่อร่างกายเนี่ยมันสงบจากเวทนาไม่ได้เพราะมันเป็นไปนตามกฎของมันก็บําบัดมันไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรไปบังคับกายให้สงบเพื่อให้จิตใจสงบมันก็จะผิดกดฎตายรักละ่ะ ตรงนั้นถึงบอกว่าลมจงไปสู่อริยะภูมิไม่ได้เพราะมันไปขัดกับตรัยลักษ์นะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะให้เราผู้ปฏิบัติเนี่ยลองไปศึกษาดูซักซ้อมดูเวทนาไม่จะเกิดขณะนี้ที่เรายกตัวอย่างคือเวทนาทางกายใช่ไหมแต่เวทนาทั้งหมดมันมีกี่ทางฮะตั้งหกทางใช่ไหมเวทนาทางตาเวทนาทางหู คันตาไม่สบายตาแล้วคันหูไม่สบายหูแะเจ็บหู จ, จมูกลิ้นกายใจลิ้นก็ปวดฟันอย่างเงี้นะแต่รวมๆแ ล, ล้วก็คือไม่สบายกา ย, ยทั้งหมดท่นะทั้งหมดแต่ถ้าหากเราบําบัดไม่ดีมันก็จะทําให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัวเกินตัวสมุทยัยทางด้านจิตเช่นตา อ่าดูแล้วไม่สบายใจตาดูแลว้วดูคนที่ทําอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าพอใจเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการใช้สติสัมยาพัญญาแล้ที่เข้าจะไปมาบัดเวทนาทางจิตเพราะฉะนั้นตัวเวทนาของรูปที่เกิดทางตาหูจมูกลิน้นกายเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องกายทั้งหมดคันหูปวดหูคันตาปวดตาคันปวดฟันปวดในร่างกายทั้งหมดรวมว่าเป็นตาแต่เวทนาที่ท่านมุ่งจะ บําบัดที่มันเกิดทางตามหูจมูกลิ้นกายก็คือความชอบใจไม่ชอบใจอันเกิดจากการกระทบกายการเข้าไปบําบัดกําจัดความชอบใจไม่ชอบใจอันเกิดจากการกระทบตรงนั้นคือการจัดการสมุทัยตั้งต้นที่ว่าความชอบใจไม่ชอบใจเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความสบายกายไม่สบายกายถ้าความสบายกายไม่สบายกายได้ถูกบําบัดแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ใจะให้ไม่เกิดความพอใจไม่พอใจก็ไม่มีเพราะเราบำบัดอยู่ตรงนี้เป็นประจำที่เหตุข้งมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ทันเหตุตรงกายสบายไม่สบายทางกายคุณจะพอยพยายามไม่ให้มันเกิดความพอใจไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นไปนไม่ได้เพราะนี่เป็นปลายเหตุของมันต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้โอ้มันยากเกินไปหรือเปล่า เข้าใจได้ไหมที่พูดได้เข้าใจได้ไหมเข้าใจได้เพราะฉะนั้นที่เวลาที่เหลืออยู่คือต้องไปทําเท่านั้นแหละใครจะทําได้ถูกได้ผิดได้มากน้อยก็มาคุยกันเป็นวันๆไปนะนั้นช่งชวงเช้านี้เพื่อไม่ให้ประเด็นมันเบื่อนะพอจะเข้าใจได้เขาค่อนมุทนาแค่นี้นะก็เดี๋ยวเวลานี้เราจะได้เดินจ ก, กลุมสักพักหนึงก็ขอให้ตั้งใจทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้สบายๆแล้วทําเรื่อยๆ มันไม่ใช่เรื่องหนักอะไรแต่เป็นเรื่องที่จะต้องมีความแยวคายความถี่ท้วนขอให้สติปัญญาของเราได้เข้าใจเห็นแจ้งในสภาวะที่ได้กล่าวมานี้โดยเวลาอันสั้นด้วยกันทุกคุณทุกท่านคือ